ปัญหาเดชหรือปัญหาทํามว่ า, ารู้ครับผมขอโอกาสครับมมันก็สงสัยอยู่ในจิตใจผมขอถามถาเสด็จพระคุยการว่าเมือ่อเสด็จพระคุยการได้อุปโภคสัมปทานขอพวกเราจนแก่งแกล้งทะเลาดนิดน้อยแล้ว ผ่านค้นในการความรู้อะไรสิ่งทุกอย่างผ่านค้นมาเสีเองเราแล้วนะก็มีอ่อย่างจิตของอัจเดชพุทโธอาจารย์ที่ประจําอยู่ในขณะเดินทรงกลมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีพระเดชพุคุณอาจารย์เอาธรรมะอะไรขึ้นมาพิจารณาครับ <c oughs> อย่างนี้เนีะผมเอาเวลานี้ผมเอามากเอาพิจารณายังไง น้ผมอมันานี้ผมก็ไปพุทธิผมผมก็ะเอาหมอนมาพิจารณาเอาเสืออพิจารณาระวังท่านทั้งหลายระวังทนนี้ทีนั้นเปนเด็ที่มีีติบริบูรณ์นะับผมตอนเดินจงกมนัง ไม่ว่าใครสงสัยกับนั้นผมแต่ก่อนผมก็สงสัยนี่มำเป็นอ่อรนะกัิกอาพะพุทธเจ้าของเด่นยังกลมอยู่บ้างทงองพระสมภเท่าบอกอยู่บ้างไ น, นเงาตามเงาจะมาเป็นลามก็มีทาหารอหู่ด้นกันต้องมาชำละความเพียร กระทั่งว exactly <sighs> ันพรนะกลังไปมีผ่านท่านทเพื่ออะไรนะ้ผมก็เคยพูดให้หมูขอนฟังมาแล้วต้องแาพอูยังไม่มาแค่ิกิการถือหัวไม่ลงเฮ้ยทำไมข่าวจะพูดอะไรอีกอาจจพูดอะาพูดตามแบบของผมหมูเั้อนก็ไม่ก็จะไม่เรื่องอะไร ผมจะพูดตามความจริงในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่ของของของอะไระเรื่องโลกมันมีสมมติสมมตินั้นนั้ น, นก็จะกระเทือนติดใจใ้ามีผนเสีเยได้เหน็นว่าอวดนะทั้การพูดแต่และเรื่องแล่ลเรื่องตึงต้องในคำหนึ่งก็เหมอนันนีง เขคจะกล้าท่านและหหาขทั้งข้อำลัคิดบัตรเรียนกมพลงานเดินไปตามนิสัยของท่านผู้บริกุิ์นะนัะด้วยไม่ใช่นิสัยของผู้มือชี่เล็งจะแก้ที่เล็งแต่เดินไปตามนิสัยของผู้บริสุทธิ์ซึ่งยังคลองขันอยู่ เรื่องาตลเรื่องขันยังเป็นสมมุติเต็มตัวของมันนจิตจะเป็นจิตอิกับวิมุตหุดพ้นจากความยึดมัน่นถือมั่นในขันและประการแต่ก็ยังมีความรับผิดชอบในขันอยู่ใหละกกรรมทรรมีความรับผิดชอบมืออยู่ก็จะต้องใช้ขันเป็นความคิดปรุงรือทำนะ่าการงานอะไรก็ไรเพื่อการช่วยจักา ด้วยความคิดทางใจที่อนเรื่องของสังขารขันขั น, น, นยาขันหรือวิญญาณขั น, นที่ต้องใช้เป็นจุดจุดำเมื่อการใช้ไปานานๆแม้แต่รถเราวิ่งนานๆก็ยังต้องพักเครื่องถ้าขานมอ่อช์อย่างนานก็ อ, อ า, า, าจะเรียกว่าพักเครื่องก็นดากินนั่นแหละคือว่าท่านโดนค น, น, นบา้างกำลังพิโรนพักมือหลายพัก เดินยังคงเป็นอยู่พอเนึ่งพักอยู่ในวงขงั้น น, น, นั่งสมาธิเวื่อพักจริงๆพักขันความคิดความปรุงต่างๆซึ่งโคยช้านั้นระงับไปตัวเดีเวเปอกับเป็นมิหารธรรมในทิฏฐธรรมคือในเวลาที่มีชืวิอยู่ ก็มีการพักผ่อนระหว่างขันกับติกนี่เห็นวีาความจําเป็นจริงหมือให้ท่ทานทำความมันจเป็นก็จําเป็นระหว่างขงันกระติกเท่านั้นไม่ไจําเป็นนอกเหนือกว่านั้นไปเลยส่วนที่จะไปเพื่อแก้เครียดอันใดอนแล้วนั่นอันนั้นไม่มีในพ่อหานทั้งหลายตั้งแต่ขณะที่พระอ่าตั้งแต่เครียดมันพังไปจกักจิตเท่านั้น ไม่มีคำว่าพิเศษจะมาแทรกขึ้นมาได้อีกเกิดขึ้นมาอีกได้ไม่มีัต่ระหว่างขันธกิจก็เป็นความจำเป็นในที่ธรรมกลงกว่าวยปล่อยวางกันความว่าผิดชอบกันเรียกว่าตายถ้าเข้าใจหรือยังนี่พูดนี่เข้าใจครับก็เข้าใจว่าอ่าก็ที่น ก็้าใจว่าท่านมีสมาธิสป็ที่ที่เราเห็นครับผมการนับใจเพราะว่าธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างก็แย่งนั้นเรื่องรื่องขันถ้าเราจะเทียบนะเราจะเทียบเหมือนเรามีเงินร้อยบาทนะในตัวของเราเองนี้วันหนึ่งเราใช้ประมาณเท่าไหร่พอดีวันหนึ่งวันหนึ่ง แล้วเงินนั้นถ้าสมมติว่าเราใช้วันละยี่สิบบาทเงินร้อยบาทจะใช้ได้ถึงห้าวันถ้าเรามาใช้ซืออย่างซื้คือล่านี้เพียงวันเดียวไม่พอใช้ก็ได้หรือเราใช้แต่วันหนึ่งห้าสิบาทก็ได้เพียงสองวันใถ้าต่สามสิบาทนี้ก็ได้เพียงสามวันถ้าเราใช้ให้พอพอเหมาะก็มันจะได้ถึงห้าวันสมมติเราเราใช้วันละยี่สบาทได้ถึงห้าวัน เรื่องอายุไขของพระรหันต์นเขเป็นเช่นเดียวกันเรื่องขันคือถ้ใช้สมบุกสมบันมากๆไม่มีการพักเลยกนะ็รเรียกว่าท่านมาประยัดอ้นี้เมื่อเวลาขันมันอ่อนตัวลงไปมันก็ไปทับตัวเองนั่นแหละเรียกว่าตายผ่อนลงไปในอายุไขของขันก็เยื่นเข้าไปเยื่นเข้าไปเพราะการใช้มันี่จะประมาณที่จะให้ไปเป็นอันตรายต่อจิตที่บริกผุดแล้วนั้นไม่มีทาง ก็คือว่ามันมาเป็นนั้นมันมากัดทอนเรื่องความเป็นอยู่ของท่านของข่ายใ น, นเรื่ออายุไขเนี่ยลดน้อยอย่างตอนนั้นไปเช่นเดียวกับเราใช่เหมือนมากนั่นแหะถ้าเราพยายามชายใช้พอเหมาะสมมันก็ได้ตามตรงนี้อายุไข่แขง็งจะร้งลมจะเข้าได้ขนาดไหนมันก็ได้แต่ตา ม, มนั้นถ้า ม, มีเหตุบรรพจรบรรดาอย่างอื่นได้เข้าใจหรือแต่อันนี้มันรู้ตัวเองไม่มีใครบอก ทีส่สมควรที่จะพักผ่อนเพื่อนทานเลี้ยงขันด้วยกิจกรรมภาวนาวมันก็รู้กันเองมันพูดยากนะพูดพูดได้เพียงเท่านี้ที่มันอันนั้นยิ่งกว่านี้ยังมีแตมันพูดยากใ น, ะนละเอียดยิ่งกว่านี้ยังมีรู้อย่างไรเจ้าพอเจ้าของจไม่สามารถที่จะบายมาได้ก็ยังมีมากนีอยู่พูดแต่เพียงเท่านี้เพราะเหตุ น, นั้นทำมาเพื่อที่มาแสดงให้โลกฟังนี้เราอยากเข้าใจว่าเป็นธรรมที่ละเอียดนะอือม คือละเอียดเต็มส่วนของทำแท้น่ะไม่ละเอียดเต็มส่วนของทำแท้ น, นะนนถ้าอยากให้ทราบเต็มส่วนของทำแท้ให้ปิดเข้าไปถึงธรรมนั้นเท่านั้นเองก็รู้เองนั่นเข้าใจไม่ใช่พูดนีอย่างที่ว่าชาติธรรมที่สอนไว้นี้เป็นกริยาแห่งธรรมนั้นอย่างนี้ก็ไม่เห็นมีในที่ไหนใครพูดนี่ก็มีหลวงตาบัวบ้าองค์เดียวนี้แหละพูด <c oughs> ชาติธรรมที่สแสดงออกมากเป็นบทเป็นบ่านี้เป็นกริยาหนานั่นทั้งผลก็บอกนี่เป็นกิริยาของผล ทั้งมรคคือวิธีดําเนินก็ปริยาเป็นปริยาของมรคปริยาของธรรมเดียวไม่ไมันไม่ใช่ธรรมแท้เมื่อก้าวไปตามนี้ก้าวไปตามนี้นั่นแหละที่นี่ทําเช่นวอทํ า, ทานจิตให้เป็นสมาธินี่เราจําหน้าก็าตามถ้านจิตเราเยังยังไม่ยังไม่ถึงธรรมอันนี้เราก็ไม่รู้นั่นนี่เราก็ไม่ถึงธรรมอันนี้แ ท, ท้ําสมาธิขั้นในเราก็รู้รู้ในใจรู้ในใจนั่นแหละที่ทำแฉก็ไปละ คือแทบเพื่นอนๆมีแท้นั่นแทบคือแทบเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปคนละขั้นถึงนี้มุดหลุดค้นมันก็ถึงจันทนี่ธรรมะเป็นขัเป็นยังไงนี่นั่นกับที่ท่านแสดงไว้นี่คืออันใดที่ท่านควรจะแสดงได้ได้มากพอเหมาะสมกับสมมุติท่านก็ออกมาแสด ง, สดงอันไหนที่ไม่ควรที่จะออกมาได้ท่านมันก็ออกมาได้นั่นแหละอันนั้นะที่ออกมาได้นั่นแหละอันเป็นส่วนมันออกไม่ได้แต่ที่ท่านก็ไม่ปิดให้คุณนั้นไปรู้เองที่คุณเองง่าย พอรู้เองจังว่าสันติโกเท่านั้นแะเช่นอย่างสมาธิเรียนเปนยังไงสมาธิพอเข้าจิตเป็นสมาธิมันก็รู้เองรู้เองสมาธิขั้นใดก็รู้เองปัญญาขั้นใดก็รู้เองโดยรู้เองรู้เองจนกระทั่งถึงมุดมุดพ้นรู้เองรู้เองถึงแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านนั่นแหะถึงเรียกว่าสันติโกเต็มภูมิทูลถามท่านว่าอะไรทูลถามท่านหาอะไรเพราะความจริงมันเหมือนกันนี่วันยกตัวอย่างเช่นอย่างพระอนัญตระพิโข ในตำราก็มีเวลาท่านเกิดปัญหาแต่ธรรมะท่านเป็นธรรมะขั้นสูงมากนะก่อผมก็ไม่เข้าใจเกิดปัญหาเลยจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถึงท่ากระตกดินฝนก็นนําลงมาแล้วก็เลยยืนอยู่ใต้ถุนหนึ่งยังไม่ขึ้นทูลถามพระองค์แล้วฝนตกจากหลังคาหยุดได้ลงมาจากลังจากชาคาก็ามาถูกน้ําที่มีอยู่ของคื้นนี้ก็ตั้งเป็นสร้างตาเป็น ฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปพอกระทบกันก็ตั้งขึ้นระดับไปดับไปถ้งกิดเที่ยวก็มาภายในสังขารคือความคิดความปรุงมันปรุงคุณภาพมันดับไปพอกดับไปฟอกหนึ่นท่านเที่ยวก็มาดูนั้นดูนี้พี่งานนี้ถ้าก็ท่านก็บรรลุทำไปในขนาดนั้นพอฝนตกหยุดก็ท่านกลับไปรุจิไม่คุ้นทุนถามพ่ารุจิเข้าเลยนานฟังใช่ไหเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วเขาจะไปทุนถามอะไรอีกเนี่ยตอนนั้นยังไม่เข้าใจ พรอันนี้เทียบกับเขาได้สัตว์ได้ส่วนนี้แล้วอันนี้ก็เพิบเลยหมดเลยเพิบหมายก็ว่าไม่กิเลสตปธรรมไม่กิเลสเพิบหมดเลย <c oughs> นี่คืตัวอย่างนี้ท่านก็ยกให้ท่านก็ยกมาไว้เพื่อให้เราได้พิจารณาสงสัยจะไปทูลถามพอไปรู้ไปบรรลุธรรมทั้ถงถึงขั้นสุดยอดธรรมแล้วก็เลยกลัด ไม่ไปทุนฐานที้ถึงกล้าพูดผเรื่องทั้งหลายไม่จะทอกสถานผมุ่งโกงสำหรับผมเองผมพูดอย่างนั้นนะพูดให้เข้าใจตามอัดตามทำความจริงมียังไงว่ากันไปตามความจริงเลยไม่ไม่ว่าไปตามความจริงผู้ผู้ฟังตามผู้ฟังฟังเพื่อเอาความจริงจะไม่ได้ความจริงนั่น ต้องพูดให้ตรงเป่งเป่งไปเลยพูกรองก็ครองตาม น, น, นั้นต้องเข้าใจตามนั้นหลังจากผมก็ฟังได้อ่านในตำนานลากรูปที่พระสงรงแสดงธรรมพุท ธ, ทธบริษัทได้บรรลุวัคคีนิพพานเป็นจำนวนมากส่วนมากก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะก็เมื่อได้มาฟังเทศของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ชักคิดไปแล้วจอิงท่านเทศนี่โอ้โหเหมือนน้ําไหนไปสว่างไม่มีอะไรผิดอ่ันเนี่ย นี่เวลาิตของเรากําลังพี่นายตรงนี้มันกําลังคล่องตรงนี้ท่านเทศมาใช่ไหมตรงนี้ถึงตรงนี้ท่านจะว่าไงนี่นี่นี่เลสัมพันน่ะพอพอท่านมาถึงนี้ก็ท่านรู้แล้วนี่ท่านมานี่ท่านก็พังไปเลยเราก็ปุ๊บไปได้เลยไม่ได้มากกวาตามได้ทีละวักระตอนมันก็ข้อเขยับมันไปเองนี่แหละที่ว่าพุทธบริษัททั้งหลายฟังเทีพข้อหลับของกิตทุกคนมีความดมน้อมต่างสูงต่างกันข้านี้คนนี้ขยับนี่คนนี้ขยับด้วยคราวนี้คนนี้ขยับได้นี่มันก็ผ่านไปได้อย่างว่าที่นี่มากก็มากกว่าจมเห นั่นหนึงน่งยิ่งเป็นขั้นพวกอุกติจะอยู่วิปปิลยก็ยังอยู่ด้วยแล้วมันก็ยิ่งเร็วถ้าต้องจะเพียงขั้นถูถ่ยจากจะว่าพูดประทับธรรมะกันก็พูดได้แล้ววะเมืองก็นังพอยิ่งยิบยบเหมือนแตงห้อยวะเวลาฟังเทศท่านีนี้ผมได้เชื่อรอยเปเนเลยพระพุติเจาทรงแสดงธรรมแบบพุทธวจนะได้บรรลุผลที่ผ่า น, น, นเดือนี้ผมเป็นร้อยอร์ซนนะคุณเชื่อเขาจะว่าผมโง่ก็ตามให้มันโง่แต่ผมก็เดนอย่างโง่ไปแล้วกันนะ เชื่อเพราะจับหลักมาตั้งแต่โดยลำดับธรดามาตั้งแต่ขมแม่กูจันทมั่นเท็จโอยเวลาจะฟังเทศท่านนี้แหมมันก็ยิมยิ้มย่กในหัวใจนี่เหมือนจะเหาะกระบินมันนะ่ะพอวันถึงวันประชุมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆข้อใจเรานี่นี่ฟังมันเจาจริงๆนี่ยิ่งไปถึงระยะที่เรากําลังพิจารณาชุนมูลวุ่นวากันอยู่นะั้นมันหาทางออกทางเข้าไม่ได้มันเหมือนตามตามรอยโคล น, นข้อเนี่ พอมาจวนท่านอธิบายมาถึงจวนจะถึงนั้นจ่อท่านตรงนี้ท่านจะว่าไงตรงนี้เลยพอถึงนี้ท่านพังปุบไปเลยเราก็ขยับปุ๊บตามเลยอ๋อทีเดียวหน่ะมันถึงน้องอ้อทันทีคือมันอ้อไปตามไปตามท่านที่เราติดข้อหิตรงไหนแล้วอ๋อทันทีเลยนักนี่หลายครั้งเราผมก็ไปได้คือพููเป็นคิดปาพิงยาชินเมื่อไหร่ก็อยู่ท่านจะนั่นมาก็พูดตามความจริงก็แปดสี่ก็ไปอยู่ท่าน ผมไม่เคยมีความชินอะไรกับท่านเลยมันเหมือนเทปนี่นะท่านพูดไม่ว่าทีเล่นทีจริงก็ในฐานะลูกศิษย์อาจารย์อยู่ด้วยกันตั้งแปดปีก็เหมือนกับลูกแปดปีสนิทสนองขนาดไหนท่านก็ต้องพูดในฐานะลูกศิลป์ลูกกับพ่อแม่นั่นเองแหละอยาพูดอะไรต้องพูดแต่อันนี้มันมันจริงตลอดเหมือนอย่างมันเปิดเทปไว้ตลอดเลยมันเข้าหมดมันไม่ลืมสิเลยนะมันแตกนะผมก็อัศจรรย์เหมือนกันถ้าเป็นความจํามันก็ลืมอันนี้ทำไมมันมันไม่ลืม แตกมากนะมันเข้าจริงๆริงฟังท่านฟังจริงจริงฟังยังถึงใจยิ่งเข้าป่าเขาเวลาออกมาจากป่าจากเขาโอ้ยหอบปัญหามาจนจะกล้าไม่ออกมันหนักปัญหาพอมากลาบเรียนท่านน่ะท่านใส่เปี๊ยงเปี๊ยงพังคล า, างไปหมดตัวเบาวิวเลยกลับไปตอนมาฟังนี่มันจอ่อจอเลยกลาบเรียนถามท่านแต่ละข้อละข้อนี่มันฟังจริงจริง ถ้าตรงไหนยังไม่ลงกันมันก็ถกกันเหมือนกันนะผมกับพ่อแม่ครูอาจารย์มานี่โอ้โหมันชลเล่นบรรดาครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ทั้งท่านมามันมีไม่มีใครเป็นภาคตัวซนตัวขี้ดื้อยิ่งกว่าผมไปละคือเราต้องการความจริงท่านก็ทราบความจริงของเราท่านไม่เพราะชาวไม่ใช่เป็นคนหน้าด้านดีไปอวดที่ถิ่พมาหนาต่อท่านท่านก็ทราบถ้าท่านถ้าท่านถ้าท่านทราบถ้าท่านถึองการแสดงให้เราฟัง ถ้าท่านเข้าใจว่าเราปฏิสีติมาแล้ท่านจะมาแสดงให้อะไรครับนี่เอาเผ็ดร้อนขนาดไหนเราเผ็ดร้อนขนาไหนท่านก็ยิ่งเผ็ดร้อนขึ้นมาเพี้ยงเี้ยงจนพังทลายพอลงแล้วปั๊บยอมปั๊บยอมปบับตรงไหนที่เข้ากันยังไม่ได้เอากันนั้นแหละคนเราความเหตุผลของเรานี่เหตุผลอะไรี้มันข้านตัวเองมันขัดตัวเองมันไม่ใช่เป็นเหตุผลที่สะดวกแต่เราก็ยังสําคัญว่ามันนั่นอยู่นั่นแหละจนกระทั่งท่านพังก็ามาทลายแตกกระจายไปแล้งมันก็ยอมยอย่างอ้ออ้อเลยน ะ, ะลงเลยลง ผมนี่ยังว่เป็นเจ้าปัญหาก็ถูกถึงขั้นมันเป็นมันเป็นได้ยริงๆบางทีไปนี่บางทีไปได้สามสี่วันกลับมาแล้วท่านก็ยิ้มนะฮะมาแล้วเห็นว่าเห็นว่างั้นนะท่านได้สามสี่วันเท่านั้นอ่ะโทรมาอีกแล้วท่านท่านเข้าใจแล้วว่ามันแบกปัญหาวาระบ้าเดียวนี้คงมาฮะมาอีกแล้วผมเหรอนตาก็เอาเลยล่ะผางผางท่านก็เตี้ยงมาเลยจ้ะ ว่าตัวเบาวิวเหมือนจะห่อจะบินมันกลับไปทีนี้เราคิดเราพิจารณาอยู่ไม่อยู่ไม่ถอนปัญหาก็ขึ้นอีกเลอยอันไหนที่เราควรแก้ได้เราก็แก้ไปแก้ไปแกไปอันไหนที่มันควรมันแก้ยังไม่ได้แล้วมันกดกดท่วงจิตใจมากทั้งทําเวลาให้เสียไปก็ครูบาอาจารย์มีอยู่นี่มันก็ถึงเลยถึงเลยนั่นแหละพอมาเล่าถวายท่านท่านใส่เตี้ยงทีเดียวแล้วพังเลยนั่นครูบาอาจารย์ผู้ที่รู้แก้ปัญหานี่แก้ง่ายนิดเดียวไม่ในแบบสุ่มเดานี่นะ เราพูดอะไรๆไปไมันรู้หมดเหมือนกับเด็กทะเลาะกันเรื่องบวกลบคูณหารนะ่ะครูนั่งอยู่เก้าอีน้นี่ฟังรู้แล้วว่าใครผิดใครถูกนะ่ะถ้าเด็กทั้งสองคนมันเอากันชุนลมุนวุ่นวายไม่ลงกันเลยแต่ครูนี่รู้แล้วว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกนะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเราพูดปัญหาขึ้นมาเป็นยังไงงนี้ท่านเข้าใจทันทีทันทีใครเปี้ยงเดียวหมดเลยนะ่ะนั่นแหละผู้รู้แก้ปัญหามันผิดกันมากนะก็เหมือนกับหมอเถื่อนกับหมอปริญญานั่นแหละ ผิดเป็นไรรู้ไหมหมอเถื่อนนะทุ่มกันทั้งหีบดีไม่ดีคนไข้ตายหมอปริญญาก็ไม่ใช่อย่างนั้นเขถามอาการแล้วก็ตรวจดูแล้วก็หยิบมานนิดเดียวเท่าันใส่ปั๊บเลยควรฉีก็ฉีกควรให้นทางลระถานมันก็หายเลยนะั่นมันผิดการไม่จําเป็นต้องยกมาทั้งหีบแหละยาหนะ่อยอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะอะไรที่จําเป็นเหมาะสมกับปัญหาที่เวลาเกิดเวลานี่ของคนนี้ใส่เปียงอยู่ขนานั้นปุ๊บเลย มีปัญหาอะไรอีกหรอท่าน ม, มังกมีอะไรอีกหรอว่าไม่มีครับไม่มีนึเงยแต่อยากจะบอกบกเพื่อนพระเดชกันว่าเสด็จพระครูเนชานที่อบรมดัตสอนมาของจริงถ้าใครปฏิบัติตามแล้วก็เห็นจริงจริงเลยครับผมพ <c oughs> ยำไม่เท่ า, น, านั้นเองครับอย่างนั้นจริงจินนี่ครับผมมไม่สงสัยจริงจิงอ่การสอนหมู่เพื่อนผมก็ไม่ได้สอนด้วยความสงสัยทุ่มต้องให้หมด คงเลยไม่มีอะไรเหลือถ้าเลยนี่แล้วคงก็หมดถ้าคิดเท่นั้นแหะคุณงมดแจ้งกับทุกบางทีกแจงตั้งแต่ต้นเลี้ยงลําดัาบลำดาไปเลยกันเอาที่ก็ตัดตอนนะ้ามังตรงนั้นนี่มผู้ฟังมานี่มันฟังมารู้กี่ครั้งกี่นหนแล้วมันควรจะเข้าใจวิธีใดปฏิบัติยังไงยังไงเพราะที่เราผิดเราพลาดมาอะไรก็ดีผิดก็ดีถูกก็ดีมันเป็นครูมาทางนั้น มันเป็นประสบการณ์ทั้งนั่นแหละมาอันนั่นออกมาสองหมื่นเพื่อนมันโค้งเกินไปหรือมันอะไรนะมันก็นรูการปฏิบัติไม่มีครูมีกาจารย์คอยแนะนํามันไปช้าและผิดทางก็ได้ถภาคปฏิบัติไม่เหมือนไม่เหมือนภาคไปยัญญนไะปยันเรียนมาจากครูก็เรียนมากับผม ปฏิบัติมาตั้งหลายหลายหลายนะครับผมผมบวชมาก็ปฏิบัติมาด้วยแต่ว่าไม่มีครูอาจารย์กระผมมาแก้งเอาที่ประเดย์พุทโธอาจารย์เนี่ยเพราะเหตุนั้นผมถึงมุ่งมาอาที่เดยพุทธอาจารย์เส็จที่เเดยรู้จักเรื่องของผมได้ทางไหนทางหนังสือหรือากระผม เป็นเจ้าอาวาสใหม่ๆพศอสอิบห้าไม่ทราบว่าใครเอาหนังสือสวัสด์ของหลวงปู่มั่นไปให้เล่นแล้มผมก็อ่านอยู่อ่านแล้วก็อยู่ๆมาก็มีปฏิสคาพระสุโดมธารานที่กษริย์พระพุาจาจย์แต่ส่งไปให้ติดเล่งก็รู้สึกว่าอ่านแล้วมันก็อยากจะออกปา่าเพื่อนพระไม่มีทางนี้ ก็อันอ้นนีนั่นเหละครับจนกระทั้งพศยี่สิบเอ็ดพิ่องเนี่ยอบรมกา ง, งสังานิการที่วัดศุภะทัดินดาโคระก็ได้เพื่อนพระทางนี้มากกระผมก็เลยสอบถามว่าแต่เด็กคุณอาจารย์อยู่ที่ไหนที่ไหนอะไรทนงนั้นก็มีเพื่อนต้าที่ผมมาพักอยู่ที่ไหนที่วัดปาพัฒนารา เมื่อก่อนนี้ก็เป็นเลขขาอยู่ที่วัดผมนี้ชนะเลยเขบอกโอ้อยู่ใกล้ๆวัดผมบอกนี้นะช่วยพามาหาเด็เกบวชอาจารย์ไม่กล้าครับเพื่อนพระ ก, กลัวค่ับพอออกเที่เรียนบวชอาจารย์ก็กลัวกันนะอยู่านไหนข้างนั้นที่เวลานี้อยู่ที่ปักบันทึกเง มันผิดมาตามันขึ้นี่อ๋อเขาเอาเขาเขาึ้นนี่เ้นนี่ครับขึ้นเมื่อก่อนเเป็นเลขาเราะนั้นเลยไม่กล้าลไปส่งธนุษฐ์ธนุ์ก็ผมบอกว่าเอะผมตั้งใจจะมาหาคป็นเด็กคุณจารย์นั่นเป็นปีแรกที่เขามาผมม่งมาหมายกันได้แล้วพอุมันกว่าจะกลับบ้านก็ผมก็มาหาเป็เด็กคุณจารย์ พูดไปพูดมาสุผมก็ต้องขอความเมตตาพระเดชพรคุณอาจารย์ที่มีก็ผมตั้งใจแนวจะขอมาจากนศึกษาที่มีก็ตั้งใจแล้วรางนี้ท่าอยู่ที่ไหนอ่ะก็ผมอยู่ที่บาะโลกครับตรงไหนบาะโลตรงไหนนะตรงไหนนะ มันสะดวกไมอะหรืที่นั่นการบำาพสะดวกสะดวกครับผมถ้าสะดวกก็ก็อยู่กลอไปก็ได้สะดวกสะดวกอยู่ล้วผมก็ปฏิบัติตามตามกิที่มันมันไม่ต้องมาคำว่าอะไรอายุเท่าไหร่ท่านระรูครับกระบอกโถกษาครับ แคบแล้วค่ายผู้ชมก็ให้ฟังบ้างหรอเปล่าแคบครับเมื่อมาครั้งแรกเขาได้ไปฟังหลายหลายตลับครับผมแล้วก็อสีที่แล้วรู้คุบานี่คุณโดนส่งให้สตลับครับแคบครรู้ถ้าแค่สอมตารู้สึกเห็นร้อนอยู่มากนะเท้มนมากอืมเท่สามตาจนก็ไปอีกแบบจีบเห็ร้อนมากก็นี่ เทศสามยาจนก็มีเทศวันที่สิบห้ามุกกาลายี่สิบหกมีเศวณีมากธรรมะรูได้ฟังแล้วอย่างกันนี่ถ้าพูดตามหลักธรรมชาติของการปฏิบัติแล้วมหาสติมหาปัญญาเนี่ยผมก็คาดคะเนเอางั้นแหละอยู่ในขั้นอรหรัตธรรมนี่พอผ่านนั้นไปแล้วคำว่าสติก็ดีมหาสติก็ดีมหาปัญญาก็ดีท่านไม่นิยมนี่นะห่านฟังดิง ท่านจะแบกเอาอะไรแบกมห า, ศ า, ศาสติแบบมหาปัญญาไว้ทำไมมห า, าสติมหาปัญญาเป็นสมมุติเครื่องแก้กิเลสกิเลสพังไปแล้วมหาสติมหาปัญญาก็หมดปัญหาไปเองแล้วตั้งแต่หลักธรรมชาติที่บริสุทธ์เท่านั้นไม่นิยมตนเองไม่เสีสันตน์ตนเองว่ามีสติหรือไม่มีสติว่าขาดสติหรือไม่ขาดสติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธ์เท่านั้นถ้าพูดก็พูดบริสุทธิ์ไม่นิยมว่าตนมีสติตนขาดสติเอาฟังที่ธัมปคูฟังด้วยกันเนี่ย เคยได้ยินไหมคำพูมนี oh. ้คำว่ามหาสติมหาปัญญานี่เป็นเครื่องมือสําหรับต่อสู้กิเลสกิเลสละเอียดมหาสติปัญญาเป็นของละเอียดยพอกิเลสสมมุติอันนี้พังไปแล้วสมมุตินี้ก็หมดปัญหาไปเหมือนกันนะเหมือนกับเรามีดเราเนี่ยเราปอกทุเรียนนี่นะพอปอกทุเรียนเสร็จแล้วอันนั้นทุเรียนเสร็จแล้วอันนี้ก็ปล่อยอันนี้ก็ปล่อยนะใครจะมากินมีด <laughs> มหาสีิมหาปัญญาเป็นสมุตินี่ ถ้าจะทำทั้งสี่เป็นสมมุติทั้งนั้นนั่นตั้งเด็กทุกสมุทัยเป็นสมมติฝ่ายผูกมัดนิโรธมัดเป็นสมมติฝ่ายแก้ฝ่ายกรัสฝ่ายถอนผ่านจากนั้นไปแล้วนั่นที่นี่จะมาอยู่สัจะทําทั้งสีนี่ยังไงจิตที่บริสุทธิ์ย่อมมาอยู่ในที่นี้นะพอนี้เป็นทางก้าวเดินนิโรธนิโรธเขามาดับ ก็ขณาดของนิโรธที่ดับทุกก็เพราะ อ, อํานาจของมรรคที่มีมกําลังเต็มที่แล้วสังหารทุกดับเพิบลงไปงนั่น น, น่นก็ขนาดเดียวเท่านั้นก็หมดปัญหาไปแล้วนั่นแล้วจะไปแบกเอานิโรธที่ไหนอีกอืเขาว่านิโรธ ด, ดับก็ดับทุกต่างหางเนี่ยหรือแบกเอาอะไรทติปัญญาก็แก้พิเลนเนี่ย ด, ดูดูเริมพังตัวเองได้เมื่ อ, อไหร่ทัตติปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปได้นี่นั่น มรรมชาติที่บริสุทธิ์ต่างหาไม่นิยมการเกิดการดับฟังนี่ตรงนี้เป็นไงครับเคยอ่านในหนังสือบอกว่าพระอรหันต์ท่านมีสติบริบูรณ์อ๋ออันนี้นัน <c oughs> อันนี้เป็ น, ปนความชมเชยของท่านค <c oughs> อเออันนี้ผมก็มาปฏิเสธนะ <c oughs> ผมมาปฏิเสธว่ า, าพาาระผูาอรหัน์ท่านมีสติสมบูรณ์นั่น่ผมไม่ปฏิเสธเพราะเป็นคําชมเชยสมกับภูมิท่านอันนี้ผมไม่ปฏิเสธแต่หลักธรรมชาติจริงๆแล้ว พระรหันต์ท่านจะไม่ท่านจะไม่มารับเอามหาสติมหาปัญญาครับผครับผมโอ้ท่านท่านจะไม่มาเสกมาสันท่านจะไมมาสําคัญเลยเข้าใจแล้วนะคเอือเช่นอย่างเวลาอ่อเรื่ยงจากผู้ทีข้าเองท่านท่านก็ทรงแสดงถึงเนื้องสติในเวลาที่ควรแสดงนะเช่นมีพระรหันต์ถูกเขาฟ้องร้องนะในตําลาก็มีฟ้องร้องมาเป็นนั่นเป็นนี่ เป็นทุงสูงที่ด้วยนะนะเห็เวลาไปทูลพระพุทธเจ้าขึ้นหาพระพุทธเจ้าไปฟ้งองพระพุทธเจ้าโค้งตรงว่าเอออย่าไปอาหาอย่องใส่เธออยู่เธอเป็นสติญี่ปุ่นละแล้วนี่นคือเอาสตินี่เคยขึ้นมาพูดถ้าแม่งั้นมันก็ไม่ไม่มีที่จะพูดอย่างานั้นหรือว่าเธอบริสุทธิ์แล้วนี่นี่ว่าบอกว่าเอาเอาเป็นเธอเป็นสติอยู่ไหนแล้วนี่นั่นเอามาดันเอามารับกันกับสมมตินั้นเข้าใจไหมล่ะ เมื่อมีสมมติอันแล้วอันนี้ก็ไม่ไม่เอามาใช้เ <ừ. S 1> พราะธรรมชาตินั้นมันเหนือสมมติแล้วอันอันฟ้องร้องนี่มันอยู่ในสมมติอันนี้ก็ต้องเอามาแก้กันเนี่เธอเป็นสติวินัยเรนาเนี่เอาสมมติที่มาแก้กสมสมมติอันนี้ส่วนนั้นเหนือแล้วไม่พูดเข้าใจนะ<ด>อืม <c oughs> ผมเคยพูดเสมอว่าผมนี่เป็นคนลงยากนะลงใครก็าตาม <ừ. S 1> ทุกวันนี้ยิ่งพิถีพิธีมากจดฟ้าถ้ามีฟ้านะอ๋อ ใครจะว่าองค์ไหนเก่งขนาดไหนใครเก่งขนาดไหนก็ตามหักไม่กดหักไม่ยกหยอกคือกดลงก็ไม่กดต้ำหนิก็ไม่ตำหนิชมก็ยังไม่ชมถ้ายังไม่เข้าถึงตัวเมื่อไหรแล้วยัง<ม>ก็อดจนกระทั่งเข้าถึงตัวแล้วเอาแล้วที่นี่นะจักควรเชื่อขนาดไหนลงขนาดไหนสมมติวันลงเก้าสิบเอร์ซ็นก็อยู่เก้าสิเปอร์เซ็นเลยถ้าลงร้อยเปอร์เ็แล้วเอาที่มีถึงขั้นร้อยเอร์เซ็นตแล้วใครจะว่าองค์นี้องค์นี้ ไปเขาจะถูกฟังร้องว่าท่านองค์นั้นเป็นสังฆาไปที่ไรเฉยผมไม่ฟังเลยแ <c oughs> นเวเรียนกันนะถ้าลงได้ลงยกผลประโยชน์ให้ท่านเต็มวันเปเซ็นเลยไม่มีทางที่ว่าจะไปสงไข่ท่านเอท่านถึงนัน้นได้ทำามถึงเป็นนั้นได้ไม่มีเลยในหพวใจคว่าอะไรก็นเาว่าไปที่แหนปากของเขามีหัวใจเขาก็มีสมมติมีอยู่ในโลกนี้ว่างแล้วธาตุขันธ์ของท่านก็ยังมีอยู่ในโลกนี้ก็สมควรที่จะถูกกาเนดได้เช่นเดียวกับโลกทั่วไปอันนี้แต่ส่วนกิ่งใมุดนั้นท่านได้มายุ่งอันนั้นเราเคยทราบว่าเสป็นึงเสียหน <c oughs> เข้าใจนะที่พูดหนิอือมันเป็นอย่างนั้นหนินะมันหลายขั้นหลายภูมิหลายตอนพอเมื่อมันถึงอันนั้นแล้วจะเอาอะไรไปพูดมันพูดไม่ถูกเนีิแล้วนี่มีแต่สมมุติทั้งนั้นเป็นอันนั้นเป็นอันนี้อะไรว่าอันนั้นมันเหนือนี้ไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรจะมาพูดมันเข้ากันไม่ได้เลยวางคาพูดยังไถ้าโลกมันเป็นคนละโลกแล้วแต่นั้นไม่ได้ไม่ใช่โลกอน่าจะโลกุตตรธรรมคือทําเหนือโลกว่างนั้นแล้ว แล้วที่ตรงนั้นล่ะตรงที่ว่าพระอหานต์ไม่เวทนาท่านท่านพระครูว่าไงมีความรู้สึกไงก็ในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ยังมีเวทนาอืมหมายถึงเวทนาทางใจน ะ, ะผมพูดหมายถึงเวทนาทางใจจิตตเวทน า, เ, นาเ อ, อ่าส่วนกายเวทนานี่เรายอมรับการเพราะเวทนาก็เป็นสมมติกายก็เป็นสมมติมันก็เป็นภาชนะรับกันได้ดีเละส่วนจิตที่เป็นจิตตะวิมุติแล้วนั่น่ะ อันนี้แหละผมก็งานยินเจ้าฟ้าจ้าคุณน้มาเทศที่นี่มาผมสะดุดใจปั่นอะไรเนี่ยโง่กันโง่แสนโง่จะเปิดเคาโง่ให้หมู่ื่อนฟังจะผมสะดุดใจปั่งเลยรทันทีท่านพูดท่านอ้างกับพุทธเจ้ามานังเดินนะมาพุทธเจ้ายังต้องสวยทุกหว่านแล้วยกก็อย่างขึ้นจนเวลาเสด็จไปกรุอุจินาาน่ะให้ข้าโนนต่างหน้ามาให้ถิงเอาโนต่างหน้ามาแล้วแตถาขวดดื่มานแล้วแล้วแตถาขวดเพีย อนุล่าก็ว <Yes, S 1> oh. ังคาปี่เฮาถากับพับกองนั่นก็แดงว่าพระองค์ทรงเสวยปุกุชนนาท่านมาเอาเรื่องท่าเรื่องขันเนี่ยไปทําลายความบริสุทธิ์หรือประยุ่งกับความรู้สึกของพุทธเจ้าของพุทธะแท้จริงมั่นแต่เรามันงงแสนงงแตามมันเป็นตามความงงเจ้าของมันผึ่งมาผ่งทำไมถึงพูดไอย่างนั้นนะแต่ลราก็พูดเพาท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรนักหนาถ้าเป็นวงปฏิบัติจริงว่ามีจิตสูงได้อย่างขนาดไหนล่ะ กันเตี้ยงเลยนะนั่นตรงนั้นเพราะมันต่างกันเนี่ผู้ปฏิบัติทำไมจึงมาพูดได้อย่างนี้ถ้าว่าลูกยิงเห็นจริงทำไมจริงเอานี้มาพูดได้นี่แน่จิตว่างนี่ครับผมฮะจิตว่างครับผมว่างในหลักธรรมชาตินหมนกันแล้วมามีไว้ซะนะปล่อยว่างเฉยแล้วเป็นหลักธรรมชาติฟังได้รืธรรมชาติเวทนาของเขเป็นสมมติเนี่ยธรรมชาตินั้นเป็นสมมติเมื่อไร่ม่ได้เข้ากันได้อย่างไงเนี่ยเท่านั้นเป็นเท่าไหรมันก็เป็นอยู่ในเนื้อในกายนี่หรื เป็นหลักธรรมชาติที่จะห้ามไม่ให้มันไปเข้าจิตจิตท่านไม่ได้ห้ามมันเป็นหลักธรรมชาติของมันเองรู้กันอยู่ชัดๆอย่างนั้นมันจะเป็นอะไรไปก็เป็นมันก็รู้จักชาติอยู่ตามตามอัน ต, า ต, า ต, าตาา่างกึนของเราของใครของเราอยู่นั้นไม่ไปก้าวไก่กันอันนี้ก็ะเด็นอยู่ในวงสมมุติเสียผู้วิมุตติอยู่วิมุตติเสียเหื่อยแหนื่อยก็เหนื่อยก็ขอพูดไปพูด